เรื่องอีสานเขียวโดยพระอาจารย์สมพโชติปัญโยขอน้มน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมกรูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไม่ป ร, รินิพานานานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียนกล้าวขออํานวยพรสิริสวัสดิิพัฒนมงคลความพาสุขทุกประการ จมบังเกิดมีแด่ยาติจอมพุทธบริษัทเพื่อนร่วมพุทธศาสนาสาธุชนผู้มีความสนใจไฝ่ในธรรมผู้ที่แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้วันนี้เป็นอีกวันหนึง่งที่เราทั้งหลายจะได้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 ที่เวลาจะอำนวยให้เราเท่าที่มันจะมีอะไรามาคิดแล้วแล้วเราเล่าว่าจะพูดเรื่องอะไรดีให้ท่านหลายที่กำลังได้ฟังกันมาเป็นประจำอย่างเงี้ยวันก่อนเราได้พูดกันมาหลายเรื่องหลายราวในวันพระก่อนก่อนนู่น มีหลายวันพระที่ผ่านมาเราก็พูดกันมาไม่ได้ขาดเป็นภาคเป็นภาคมาแต่ในวันพระนี้ภ า, าคนีอาตามาคิดว่า <c oughs> จะพูดเรื่องอิสานเขียวพ <c oughs> ระตะก a าเรื่องอันเนื่องมาจากอีสานเขียวก็แล้วกันอาตามาได้เคยมีโอกาส รับในมวลไปรบรรยายแนะนำชี้แจงทาความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางที่จะสร้างสคนอีสานเกี่ยวขึ้นมาแล้วก็เลยได้ขอคิดร้ายสิ่งร้ายอย่างเกี่ยวกับสาภาพเป็นอยู่สาภาพชุมชนของเราในยุค ป, ปัจจุบันแต่นี่โครงการใหญ่ของเราที่ ร, รู้จักกันอยู่เดี๋ยวนี้ในภาคอีสานฮือหากันเนี่ยก็คือโครงการอีสานเขียว อันเนื่องมาจากน้ําพระไทยจากในหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราพระมหากษัตริย์ที่ราชาผู้ยิ่งใหญ่ที่ตั้งอยูุในธรรมพระองค์เห็นว่าความทุกข์ของแผ่นดินก็คือความทุกข์ของพระองค์เห็นว่าพี่น้องชาวอีสานของเราทุกยากลําบากแห่งแรงอดอยากยิวโวยกันพระองค์ไม่ทรงนิ่งนอนใจเวลาพระองค์ได้เสด็จ ข้าราชาดำเนินมาผ่านแต่ละครั้งพรงะองค์จะทรงแนะนำเจ้าหน้าที่ข้าราชการท้องถิง่นให้รู้จักวิธีการต่างๆที่จะแก้ปัญหาแก่สังคมแก่ชุมชนพระองค์เอาใจใส่เป็นอย่างยิ่งและสิ่งที่พระองค์สนใจมากในยุคนี้ก็คืออ่างเก็บน้าครูคลอง้วยเล็กห้วยน้อยที่มัน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 โดยสร้างอีสานที่มันแห้งแล้งในหน้านี้ให้มันกลายเป็นอีสานที่เขียวฉุ่มก็เลยเกดมีน้ําพระไทยจากนายหลวงจากนั้นทางรัฐบาลก็ดีทางกองทัพก็ดีก็เลยดอดลงมาห้ายหน่วยงานมารุมมัตุ่มที่จะออุ้มให้ความดําริของพระ อ, องค์เนี่ยได้สำํำฤทธิ์ผลขึ้นมาให้อีสานเขียวหวังกันเทอะนะการทําทอย่างนี้อืม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 ภาคใตา้ของเราก็กำลังถูกภัยธรรมชาติโศกนาฏกรรมความจริงนั้นในสมัยหนึ่งเราเคยได้ยินเรื่องเศกทินไทยเศกทินทิมไทยนี้รู้สึกจะเป็นอาอาพระเดชประุลทันต้เดจพระสังฆราชอ้วนติดโซซึ่งเป็นชาวเมืองอุบล ตอนนั้นได้นําต้นสีมหาโพธจากประเทศอินเดียนํามาปลูกในที่ต่างๆที่นครพ น, นมนคนปรปฐมที่ภาคใต้ที่ภาคเหนือและก็พูดเรื่องเสกถิ้นไทยถิ่นไทยเราเพยายาแบ่งกันเป็นคร่าวๆได้สี่ภาคคือถิ่นภาค ก, กลางถิ่นภาคใต้ถิ่นภาคเหนือถิ่นภาคอีสานภาคอีสานเป็นท้องถิ่น ที่มีประชากรมากแผ่นดินที่ราบสูงเต็มไปด้วยความแห้งแวงแต่ประชาชนก็อยู่กันหนาแน่นแออัดส่วนภาคเหนือก็เป็นต้นน้ำลำธาโรโพเขาลำธารละหานห้วยอุดมสมบูรณ์เหมือนกันเรื่องหลากสีสตรีสวยธรรมชาติงดงามอากาศเยือกเย็นในหน้าหน้าในหน้าร้อนพระสง์องค์เจ้าทางอีสานโดยเฉพาะพวกที่ชอบปะเขาลาเนาไพร เดินขึ้นไปภาคเหนือแล้วก็ลืมบ้านกันคลังคลรถสน่แห่งธรรมชาติดอยเอ๋ยถ้ำเอ๋ยผาเอ๋ยส่วนมากพระาอีสานเราทั้งนั้นทีนี้ตัวเมื่ออีสานนี้แหละในสมัยนี้ไม่มีใครอยากแกพิษสวาะเท่าที่ควรตอกแม้แต่คนอีสานเป็นพระเองไปภาคเหนือฝ่ายกรรมฐ า, านก็จะเดินทางขึ้นแต่ภาคเหนือทุดองภาคเหนือเมื่อนั้นก็ลงภาคใต้เมื่อนั้นก็ไปตะวันออก อีสานที่หิงแรงไม่มีใครอยากจะอยู่ทลารนะ่ักส่วนพระที่มุ่งมั่นการศึกษาในเมืองสําเร็จเป็นมหาบาัณฑิตแล้วก็ดีหรือที่เป็นพักครูเป็นเจ้าคุณก็ดีก็ไม่มีใครค่อยอยากจะกลับบ้านแม้แต่สำเร็จเป็ด็อกเตอร์ทางพระก็ไม่อยากจะกลับกลับมาอยู่สองสามวันย่านใจขาดตายเน่ากินบุหี่จะไปหลอกาอาหารเฝ้าไปดีกว่าลาักษณะเช่นนี้ แต่ก่อนในไหนแต่ไร น, น, นู้นเราได้ยินคําพูดที่เรียกว่าเสกถิ่นไทยนั่นแหะท่านบอกว่าภาคเหนือเป็นถิ่นไทยงามภาคอีสานเป็นถิ่นไทยดีภาคกลางเป็นถิ่นจอมไทยภาคใต้เป็นถิ่นไทยสมบูรณ์ถ้าไม่ยิงพูดอย่างนั้นเห็นดีจะต้องเป็นเรื่องจริงๆเหมาะสมกับพจน์คำนี้ ผ้าเนื้อถิ่นไทยงามเรื่องหลากสีสตรีสวยห่วยทานละหันน้องแล้วก็มีดอยมีภูเขาสูงสูงปกคลุมไปด้วยป่าไม้เบญจพรรณอากาศเย็นใ น, นหน้าร้อนงดงามบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองคนมั่งมีสีสุกไปที่ไหนหมู่บ้านไหนมีวัดอยู่บนดอยมีบันไดนาคบ้านไม้สัก วัดอยู่บนดอยเย็นๆมาได้ยินเสียงวระฆังกลางวานมาจากทางดอยแม่หมือนกับเมืองสวรรค์ในจินตนาการของคนที่ไม่เคยไปพบไปเห็นสวรรค์นั่นแหละงามผู้คนกล่องามผู้ยิ่งกล่องามผู้ชายกล่องงามเพราะว่าอากาศมันดีหนาวร้อนก็ไม่ร้อนจนเกินไปนาห น, นาวก็ทําให้คนขาวอยู่แล้วร้อนก็ไม่ร้อนนักอาหารอากาศหลักเนี่ยช่วยให้ภาคเหนือของเรางามมาก ส่วน้าอีสานนั้นเรียกว่าทิ้งไทยดีทำไมยังเรียกว่าทินไทยดีดียังไงยิงไม่ออกฟันไม่เข้าอย่างนั้นหรือไม่ใช่หมายถึงจิตใจคนดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเจือจุนเมตตาบานีมีสินมีธรรมรักกันฉันพี่ฉันน้องโอ้พร้อมอารีใครจะไปแขกจะไปไทยจะมาในแผ่นดินอีสานนี้ ไม่มีเงินสักบาทก็ไม่ต้องซื้อข้าวกินขึ้นไปบ้านไหนจะได้กินข้าวในสมัยก่อนภาพอีสานเป็นอย่างนี้ภาคพฤษรวมรวมของชาวอีสานจึงเรียกว่าทิ่มไทยดีรักกันฉั้นพี่ฉันน้องช่วยเหลือเกือจุนกันทิมดีเพราะมันทุกนะที่ไหนมีความทุกที่นั่นมีความรักที่ไหนมีรักที่นั่นมีทุกถ้ า, าตีกลับตรงกันข้าที่ไหนมีทุกอ้อที่นั่นมีความรัก ต่างคนต่างก็ทุกข์ต่างคนต่างก็ยากก็เลยเห็นอกเห็นใจกันเราก็จิตคิดดูเราเขาก็ใจปลูกอื่นใจหรือจะสู้ปลูกไม่ตีเคยทุกข์เคยยากเห็นอกเห็นใจกันรีว่าอดทนกันกินก้อนเกลือด้วยกันในยามยากในแผ่นดินที่กันดารเช็ดน้ําตาให้แกกันและกันในยามจนในแผ่นดินที่แห้งแล้งสมัยก่อนความมนาคมความเจริญทางวัตถุทางเทคโนโลยียังไม่ก้าวหน้าอย่างนี้คนอีสานไม่อยากจะหนี้จากมาจากช่องรอกอยู่กันอย่างนี้แหละ เรียกว่าทินไทยดีคนที่อื่นมาก็ได้ยกจ้องเสริญเอาน้ำใจคนอีสานนี้ทุกยากไรก็ตั้งแต่เพียงร่างกายเท่านั้นแต่จิตใจไม่แห้งแรงดังคำกล่าวว่าเมนซิตท่วมแลแหล่งขาดแรงวสมบู์ประเภทนี่ทาบุญเสืออีสานบ่เคยถิมเอาความดีเป็นหลิ่มสลักไกไวค้คงทีสามาขี้ยดไหวมาไล่ถิมขีดข้อง แต่ยังบอกว่าแมนโบได้มาเหมือนหายอีสานคำหนามขอดเอียงขอกะขอตแต่อูแอียงหนามจิตใจนั่นบอ่อขอดน้าเนี่ยคนอีสานเป็นอย่างนี้เก่าสเสล่งสิบเสล่งเพียงพ่ายผาคุ่มสถานอันนําใจคนเช่าอีสานบ่อหอนมีหน้าแหลกยังหักแผงพ่งเสือเครือเดียวบรุษลาอูนา พ, อพน้องพี่นองได้เพี่อนส่วนซอยกันคำกล่าวเหล่านี้แสดงออกถึงความร่ํารวยทางด้านจิตใจจึ่งรียกว่าถิ่นไทยดี หาภาคไหนจะมีเหมือนที่นีส่วนภาคกลางเรียกว่าถิ่นจอมไทยพระราชวังพระจ่าโยโฮรัฐบาลจุดกลางการปกครองอะไรต่างๆอยู่ที่ภาคกลางทั้งนั้นเอยเรียกว่าถิ่นจอมไทยหัวใจของประเทศอยู่ตรงนั้นส่วนปักใต้ถิ่นไทยสมบูรณ์สวนยางเอ่ยเมืองแร่เอ่ยดีพวกเอ่ยอากาศดีฝนตก อยู่ตลอดปีเพราะมันอยู่ในแหลมของ ม, มหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิกลมพัดขึ้นฝั่งทางไหนก็ตกกันทางนั้นภาคใตา้อุดมสมบูรณ์ด้วยแรธ่ธาตุทรัพยากรคนไม่รู้จักทุกข์จะยากกันละในสมัยก่อนแต่เดี๋ยวนี้ถ้อยคำเหล่านั้นกำลังเหลือไว้เพียงความฝันในอดีตเท่านั้นทิ่นไทยงามก็จะเป็นถิ่นไทยที่สิ้นมนต์ขลังสล้วทางภาคเหนือ ธรรมชาติเดินฟ้าอากาศถูกทำลายย่อยยับแม่น้ำปิงวังยมนานเกือบจะคอดแห้งขาดเป็นวังแล้วจะว่ายังไงแถวสุขโขทัยบ้านเก่าพ่อขุนรามคำแหงของเรานี่แถวบ้านคลองสมานทอห้าต้นทงแถวนี้ทางอำเภอแถวตำบลไทยชนะศึกทางอำเภอทุ่งสรีมแม่น้ำสายนี้ไหลมาคลองสมานแต่กอ น, น้ำไหลของคนเดี๋ยวนี้แห้งหมดแล้วแห้งหมดแล้ว แม่น้ำลำาธารละหานห้วยจากภูเขาก็หวดแห้งก็เหลือแต่แม่น้ำสายใหญ่ปิ่งวังยมหน้านี่ยังเกือบจะแห้งทิ้นไทยงามกล่าวเกือบจะสิ้นมนขลังกันแล้วแม่ก๊อกอะไรต่างๆพวกนี้ส่วนทิ้ไทยดีอีสานบัตรนี้เหลือไว้เป็นความฝันเท่านั้นเองมีแต่ความแห่งแรงทางด้านจิตใจไม่หวักอะไทั้งนั้น ตลอดทั้งผู้ที่มีอํานาจวาสนาได้เป็นหลักเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนชาวอีสานหนีไกลาจากบ้านศึกษาร่ํารวยเป็นเจ้าเป็นนายเป็นผู้มีอํานาจวาสนาไม่ค่อยอยากจะกลับมาอยู่บ้านบริหารท้องถิ่นของตอนเองพระสององค์เจ้าไปเรียนสูงๆจบดอกเตอร์ปริญญาจบมหาเป็นพระครูเป็นเจ้าคุณ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 ยิ่งเวื่อนั้นชาวบ้านธรรมดาคนหนุ่มคนสาวก็ไม่พอใจที่จะอยู่บ้านพัฒนาท้องถิ่นดินอีสานที่พื้นดินหากินต่างก็เมิอมองฝ่ายฝันตรงความหวังออกไปสุดขอฟ้าหลังจากนั้นก็วิ่งไล่คว้าความฝันจ่อหน่นนี้ไปอยู่กรุงเทพท่านทั้งหลายคงเคยได้พบได้เห็นส่วนทาง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 มันต้องสยามเฉียวพัฒนากันทั้งประเทศนั่นเนี่ยขอประธานอาัยไม่แน่ใจว่าเราจะพัฒนากันได้สักแค่ไหนรัฐบาลพุ่มเงินมาปีนี้คิดว่าเป็นการพัฒนาอย่างยิ่งใหญ่ไม่น้อยกว่าสองหมื่นล้านนี่มาพัฒนาอีสานให้เขียวบัดนีความแห้งแรงยิ่งเพิ่มทวีความรุนแรงความอดอยากหิวโหยได้เกิดขึ้นบนแผ่นดินนี้ ป่าไม้ถูกทำลายเคลื้องนอกจากนั้นห้วยน้ำลำธารเหือดแห้งฝนฟ้าไม่ตกต่องตามดูดูการโบสจะตกก็ตกกันยิ่งใหญ่แต่เราก็ไม่มีอะไรมาเก็บมากักไว้ยิ่งไม่มีต้นไม้ต้นไม้ถูกทำลายป่าดงพงไายหายไปหมดเหลือแต่ตอนี่จะดินบ่ไม่ใหม่ดินสิไงเป็นผงบ่งมีดงดอนบังสิเกิดเป็นทะเลแหลม สายทาเคินแห่งแฟงสุรีหอนจีสีวิตศัตว์ ส, สําเสือสี่ศูนย์สินเผาพันเดือนนี้สูงพันไปเกือบหมดไม่มีสัตว์ตัวใดที่จะไม่ถูกล่าในแผ่นดินอีสานมดตัวแดงแมงตัวน้อยมดแดงออกมาไปแง่กินอยู่ได้หูขุดเอาบินอยู่บนฟ้ายิา ง, ยางกินอยู่ในน้ำถอดกินโอ้ยจุดจีอยู่ใต้กองขีควยขุดมากินแมงกินนูนแมงหยงไตงมากินอีสานเรากิน ยังเหลือแต่แมงวันกำลังพิจรารณาว่าสิกินวิธีใดมันจึงสียแสบแมงวันนี่ก็กินกันแล้วเนื่องทางประเทศสเปนแมงวันทองผ่านหวาละฮะนี่กินแล้วเตะปี๊ดดังนห่เหลือแต่แมงกรสามแมงกระสาม ก, สาก็กินอีกแล้วบอกว่าขันมันอยู่ในข่าสารหลายๆตัวได้ปิดโอ้ยขัวดแสบคืออย่างนี้าาแล้วมีสัจนิดใดที่จะไม่ถูกตามล่าไม่ถูกตามกินเลยในผ้าอีสานอันนี้อะเรามาเคยไปอยู่ทางแอฟริกา ทะเลทรายซาฮาราที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็ทะเลทรายซาหาทะเลทรายอาระเบียแถบตอนออกกลางได้พรพรความหแห้งแล้งยิ่งกว่าพวกเรานี้แต่ชาวบ้านเดี๋ยวนี้เขาก็พยายามรักท้องถิ่นปลูกต้นไม้ต้นไร่กันแต่คนอีสานเรายังไม่รักท้องถิ่นยังพยายามอยากจะหนีไปตายเอาดามหน้าไปหมั่งมีซีสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ดูหนังดูละครดูความสวยสดงดงามโรเคชั่นที่เขาถ่ายทําออกมาก็ยากเห็น ไปขุดไทไปตัดปอไปทอนมันอยูน่นั่นนะจิตใจเม้อลื่อนลอยไปตามหนังตามละครที่เคยดูเขาฉายออกมาอยากไปเห็นตรงนั้นอยากไปเห็นตรงนี้อยากจะเป็นนางเอกอยากจะเป็นพระเอกจิตใจก็เลยแห้งแหลงแห้งแหลงบัดนี่เมนไปไถกะหักหูไพ่ผ่ากุ่มอีสานเป็นแผ่นดินกันดานหัวไฮสวนน้าแหลงน้าขาดเกินเลยแห่งก็ใช้กรรมการเกษตรบ่ออาจลุ่หลาบดอโดยดา่านเหือแห้ง อีสานค้ามเฮงไอ ห, ห้อมเ่งกันแตงอีสานค้าแห่งแหลงห้อมเฮงกล่องซอยกันให้เจ้ามาหมา่าถอนอีสานค้ามมะหอมพวกเขาน้อเชิญจะ ม, มาเนียงขันข้าวเหนียวปั่น่อยกันอันแนียวน้ำข้าวเหนียวหนั่นให้ขึ้นตังกับกีสดให้เจ้าปัน่นให้แข็งแกนไหวปานนั่นจังเผื่อพ่อข้าวเหนียวต้องปัน่นให้บันเน่นยังอยู่ได้เดีนี้ไม่ได้ไม่แน่นไม่อยาแกอยู่บ้านพระทรงองค์งาการไปเรียนหนังสือกรุงเทพไปในเมืองใหญ่ เป็นมหาเป็นพระกูกลับมาบ้านอยู่บ่ได้เพราะสามเมืองยานเป็นโลกขาดอาหารตายกินบ่แสวอันเขาเนี้วก็เคยจำกินนํากันกับจำถวยเจียวบัดได้เจียเข่าเจ้าแหลวทะลืมเสือเซนโตพายกันโวหารอ่างค้านคําอวดสลาธรำประชาเจ้าเผเกิดแก้วกรรอีสานผีเซนกันก็อยากจะชักชวนแหละอย่างข้าพระเจ้าอาตามาที่พูดดูนี้ฝรั่งนี่มตนไปหา้าครั้งหกครั้งแล้วเมืองนอกบ่ไป สิโยบป็นภาอสานแห่งแหล่งเมืองสกลนครบ้านค่อยเนี่ยทนมันอยู่ตรงนี้สร้างสรรค์ต้งคมของเราทำไมนกนูปูปีกมันก็มีปีกมันไม่บินหนีมันยังรักทินรักฐานอาจะมาเคยไปอยู่ออฟริกาทะเลทรายซาฮาราไปอยู่ที่ทะเลทรายอาระเบียน ไปเฮนอนี่มันแฮ่งแรงจริงๆมองสุดโลกข อ, อ้โกตาขับรถตั้งแต่นู่นตั้งแตเมืองดำมัมในยันโตเรียบกันตาบูกออกไปนู่นอันเจริญทะลุออกโตเรียบไปจรอระแดนไปประเทศจอแดนระยืดทางเป็นพันสองพันกิโลไม่มีป่าเขาลำนาภัยมีแตทะเลทรายเวิ้งวางสุดขอบฟ้า ทล่องลงไปทั้งรู้เป็นพันๆไปบูเลดาไปตาซิมออกไปนุ่งเจด่าออกไปทางทะเลแดงเวยสองพันสามพันกิโลไม่มีตาดงพงไพรมีแต่ทะเลสายสายไหลแหลงไหลไปแลงแรงเนี่ยมเหือดแหงไหลเรลื่อบ่อเศร้าหอนอุดเอาไปตัวว่าตาว่าเน่าเพลียงลงคนคุ้มฝ้าห้อมมันหน้าอยทะนึ่งเฮี้มหักพีนุธนาหาส้วงอ่าเงเงยกาสันได้ยินคนโบราณเขียนไว้ในวรรณกรรมเรื่องสีทนตามนางวนโนรานั่นเป็นเรื่องจริง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 นกเกิดในทะเลทรายมันมีปีกบินได้เวลาเกิด s ซ n ส s อมวินดี d y s a พายุฝุ่นทรายเจ็ดวันแปดวันพัดบีดวิวถ้าหากมันจะไปมันทำไมไม่บินไปกับฝายลมเหล่านั้นบินโดยวันหนึ่งเฮยเป็นสามพันสี่พันกิโลพาอลมพัดด้วยความเร็วสูงมันก็จะได้ไปอยู่ที่ดีๆถึงว่าไม่มีลมมันก็บินไปวันละเล็กละน้อยมันก็ไปได้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 รัฐบาลจะทุ่มเงินมาเป็นแปดแสนล้านก็ยังเฉียวไม่ได้ถ้าหากยังไม่พัฒนาคนอีสานเราสามารถที่จะใช้เครื่องจักรกลอินทริปเมนต์แท็กเตอร์โหลดเดอร์สเก็ตเปอร์เอ็กวอะไรต่างๆขุดกัน้นเคลนอ่างเก็บน้ํากูคงเราสามารถทําได้ฝนตกในภาคอีสานนี่ถ้าจะไปเปรเียบเทียบกับทางแอฟริกาทางตะวันออกกลางโห้ยมันดีกว่ากันเป็นหมื่นๆเท่า สามารถที่จะเก็บกักเอาน้ำเอาไว้ได้หรือวิยีนั้นเราสามารถที่จะชักแม่น้ำคงขึ้นมาใช้เหมือนประเทศอินเดียเขาเอาน้ำจากแม่น้ำคงคาขุดออกมาเลยตรงที่เมืองหาริทวาระเมืองประตูสวรรค์ตอนเหนือ ไม่ต้องมาเอาน้ําสกปรกสพคนลอยตายตู้ป่องตู้ป่อ ง, ตปปองใต้เมืองพาราณสีไม่เอาเขาขุดมาจากรูดแม่น้าําคงคาไหลมาจากภูเขาฮิมัลไลไม่ขายเขาขุดที่เมืองเทาคฤตวาระรส่งซัพพลายมาหล่อเลี้ยงเอาแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลแลยก็แห้งแรงมันมีต้นไม้ของอินเดียก็ทําได้แต่แม่น้ําคงคานั้นดังเล็กกว่าแม่น้ํำคงเราดังเยอะเลย ในน้ําค้งเรานี่มีแหล่งดีดปุ๋ยธรรมชาติไหลมาไกลๆและยังสามารถที่จะทำได้แต่อันนี้เป็นการแก้ไขาทางวัตถุสิ่งที่จําเป็นที่สุดนั้นไม่ใช่อยู่ตรงนี้ตรงนี้ยังไงก็แก้ไขได้แก้ไขความเฮงแรงเราสามารถเพราะว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีสูงเรามีดาวเทียมลอยอยู่เนื้ออวกาศเป็นรอ้อยๆดวงเพื่อจะตรวจสอบสภาพอากาศฝ น, น, นจะตกตรงไหนจะหฮงแรงตรงไหนเราสามารถจะรู้ได้ แต่มีสิ่งหนึ่งที่เราไม่สามารถพัฒนาด้วยเครื่องจักรกลและเทคโนโ ล, โลยีสิ่งนั้นก็คือมันสมองของชาวอีสานหัวใจของชาวอีสานเราจะว่าอะไรมาสร้างเขื่อนกั้นน้ำใจชาวอีสานไม่ให้มันแห้งแรง ไม่ให้มันเห็นแก่ตัวให้ความร่วมวมือร่วมใจกับรัฐบาลมองเห็นคุณค่าในการพัฒนาท้องถิ่นตัวเองสร้างพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความมักง่ายความขี้เกียจความฟุ่มเฟือยความไม่อยากอยู่กับบ้านความอยากใหญ่อยากโตอะไรต่างๆนเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่มาเป็นบุคคลผู้มีชีวิตเรียบง่ายสอดคล้องกลมกลืนกับธรรมชาติขยันหมั่นเพียรอดออมประหยัดเปลี่ยนพฤติการอันเวลวทรามของตนเองค่านิยมที่ผิดผิดเปลี่ยนมันออกไป แล้วเราก็อยู่กันด้วยศิลธรรมเอาอะไรมาสร้างเขื่อนกั้นน้ําใจชาวอีสานแท็กเตอร์ไม่สามารถทําได้บุโดเซอร์สเก็ตเตอร์โรลเดอร์แอคควาเตอร์ใช้ไม่ได้เอาอะไรมากัน้นทําเขื่อนกั้นน้ําใจทําอย่างไรเราจรึงจะมีสหกรณ์หัวใจที่เรียกว่ามณะสกเรนังมณะสกเรนังมณัสหาการะนัง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 วัตถุนิยมเรายัางเป็นผู้ไม่มั่งไม่มีเป็นนกน้อยๆก็ทํารังน้อยๆอยู่ไม่ใฝ่ฝันที่จะเป็นนอนในรังอีแรนอีกามันเจิดโตมันจะเวิ้งว้างอย่างนี้พอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้ขายยันหมั่นเพียรในการงานประหยัดอดออมม่เป็นผู้ฟุ่มเฟือยอย่างนี้ถ้าอย่างนี้อีสารเขียวแน่เน่เดี๋ยนี้รัฐบาลทุ่มมาเธอความจริงความแห่งแรงนั้น มันก็เกิดมาจากฝีมือของคนที่ขาดแคลนน้ำใจเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนในประเทศทางแอฟริกานะต้นไม้ใบหญ้าเหี่ยวแห้งเหลือโซอนไรนาเปลี่ยนแปลงเป็นทะเลทรายแผ่ขยายกว้างออกไปทุกวันเพื่อที่จะให้ต้นพืชสาชาติกับฟื้นคืนมาเป็นสีเขียวชะอมคนอีสานของเรารัฐบาลไทยของเราเน้นที่จะทำอีสานเขียวความจริงโครงการนี้ ได้เกิดขึ้นมาเมื่อปี 2,528 โดยองค์การอาหารและเกษตรกรรมของโลกซึ่งมีชื่อย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า FAO Food and Agriculture Organization กำหนดปีนั้นให้เป็นปีป่าไม้สากลระหว่างประเทศทั่วไปเส่งกันยิ่งก็คือเป็นวันปลุกร้นไม้แห่งชาติความจริงไม่ต้องเอาเป็นวันเดียวมันทำทั้งปีทั้งชาติเราจะต้องยอมรับความจริงด้วยข้อหนังว่าโลกกลมมนอกจากจะหมุนรอบตัวเองและยังหมุนรอบดวงอาทิตย์ด้วย พื้นที่พบมีลักษณะครุกครได้รับแสงตะวันไม่เท่ากันเป็นผลให้สภาพดินฟ้าอากาศและความเป็นอยู่ของคนเราแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคคือทางซีกโลกด้านเหนือของโลกมีอากาศชื้นฉับอุดมด้วยอาหารการกินแต่ทางซีกโลกด้านใต้อาหารแห้งเล้งอากาศแห้งแล้งอาหารอดยาผู้คนกินข้าวไม่อิมที่พอมองเห็นก็คือชาวยุโรป ฝรั่งมั่งค่าทางตะวันตกมีอาหารเหลือล้นเก็บสํารองไว้ในสต๊อกแต่เสร็จแล้วชาวแอฟริกากําลังหิวโหยท้องกิวก่วๆแห่งแรงขยายบริเวณที่เรียกว่าซาเอ็นทางตะวันตกเฉียงเหนือแอฟริกาไปยังภาคตะวันออกเกือกคาบียาแอฟริกาภาคใต้ฝนตกน้อยหรือบางแห่งไม่ตกเลยพื้นที่กลายเป็นทะเลทรายขยายวงกว้างทั้งหมดนั้นเกิดมันจากฝีมือของมนุษย์อีกเหมือนกัน คือมนุษย์นี้ได้ทำลายธรรมชาติดินฟ้าอากาศทางป่าทางดงยังในประเทศเอธิโอเปียเมื่อปี2530ที่ผ่านมาเนี่ยสองปีก่อนเนี่ยเราได้ทราบข่าวออกมาทางหน้าจอโทรทัศน์ทีวีหนังสือเพโมยพร้อมกระล่องกระแหล่งหัวโปโปมีแต่หนังหงการดูหลังจากนั้นก็สลมสารตายกันชิบหายวายวอด เป็นภาพที่น่าเศร้าสะเทือนใจของเพื่อนร่วมโลกซึ่งเห็นภาพของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมีแต่หนังหุ้มกระโดกดูดีเห็นแต่หัวเพราะว่าส่วนหัวมีกระโดกมากนอกนั้นมีแต่ความอดอยากหิวโหยตายกันมากมากสาเหตุในความแห่งแรงอดอยากในประเทศเอธิโอเปียนั้นถ้าเรามามองดูแต่ผลความอดอยากหิวโหยทุกยากลําบากแนละ้วเราจะเข้าใจประเทศนี้ได้น้อยไปหน่อย ความจริงเอธิโอเปียนี้ไม่ใช่ประเทศที่แห่งแรงอดอยากมาตั้งแต่ก่อนแต่ไหนแต่ไรที่มันแห้งแรงมันอดอยากลุกยากลําบากขึ้นมานะ่ะเพราะฝีมือของมนุษย์ก็เหมือนกับประเทศไทยของเราภาคอีสานเราแห่งแรงก็เพราะฝีมือของมนุษย์เนี่ยหรือที่ปักใต้ของเราน้ําท่วมบ้านกระทุนทะเลสูงพังลงมาภูเขาพังก็เพราะฝีมือของมนุษย์ในประเทศเอธิโอเปียนี่มีประวัติคล้ายๆกับ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 ที่เรียว่าเป็นพระเองนี่คือเขาไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครเลยเขาอยู่ในระหว่างแหลมที่เรียกว่า Horn of Africa อยู่ในนอร์แรดของแอฟริกาอุดมสมบูรณ์กว่าประเทศอื่นนะเมื่อก่อนนะได้สร้างประเทศนี้ขึ้นมาเก่าแก่มีมประวัติย้อนไปถึงที่เป็นประวัติในหน้าประวัติศาสตร์นะย้อนไปถึง 3,000 กว่าปีถ้าจะพูดถึง pre-history คือก่อนประวัติศาสตร์นะั้นไม่รู้่กี่ปีก็ เ, เหมือนประเทศไทยของเรา ย้อนกลับไปเป็นพันสองพันปีแต่สิ่งที่เราได้เห็นซากวัตถุโบราณทั้งบ้านเชียงก็ดีทั้งบ้าน น, อนนอกทาก็ดีหรือทั่วทุกมุมของประเทศไทยเราจะเห็นได้ว่าซากอินทรีย์วัตถุเหล่านั้นด้วยคาร์บอนการพิสูจน์ทางเคมีอะไรต่างๆก็เห็นได้ว่าเป็นซากของมนุษย์ที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก่อนไม่น้อยกว่าจ็แปดพันปีเอที่โอเปียนี่ก็พอๆกับประเทศไทย พริพเจ้าของเราห่านตรัดโดยว่ายังยินจิตสมุทัยธำมังสัพันทั้งนิโรธทำมังสิ่งใดซึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนแต่จะต้องมีความดับไปเป็นธรรมดาที่นี้ความเจริญเกิดขึ้นก็ไปสู่ความเสื่อมได้ความเสื่อมเกิดขึ้นไปสู่ความเจริญได้ ม, มันอยู่ที่ฝีมือของมนุษย์เยธรร ม, ม, รร ม, รร ม, มาเหตุพวะเตสังเหตุงตถาโตเตสังเจโยนิโรโทเอวังวาทีมหาสมโนสิ่งทั้งหลายเกิดมาจากเหตุมหาสมณะเจ้าตรัส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 มองดูความเป็นหมาของเขาบ้างเขาเคล้าวเท่าที่เวลาเราจะมีมันเกือบจะไม่ผิดกันกับประเทศไทยเลยประเทศนี้ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของผู้ใดเลยในขณะที่ประเทศอื่นๆเนี่ยตกเป็นเมืองขึ้นของพวกฝรั่งเศสบางพวกอังกฤษอย่างพวกกาล์นาอย่างนี้พวกมาลีตัวดำๆอย่างเงี้ยก็อยู่ในแอฟริกามันกาล์นาตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ แล้วก็มาลีตัวดําดํานี้ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสแบ่งเงินคนละครึ่งระหว่างแ อ, อฟริกาคนละครึ่งตอนใต้ตอนเหนือตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสและอังกฤษเหมือนกับลาวไทยค่ะเหมือนกับลาวเขมรเวียดนามตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสแต่ตรงกันข้ามไปทางตะวันตกของประเทศไทยพมาย่าสีลังกาอินเดียฟากีท า, านเนปาลบังกลาเทศยันลงไปจนถึงบูนายตอนใต้ตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษสองประเทศมหาอำนาจเนี่ยเขา พยายามที่จะขยายอํานาจแล้วก็รวบเอาประเทศโน้นประเทศนี้เป็นเมืองขึ้นในแอฟริกา <c oughs> ก็เหมือนกันก็มีเพียงประเทศนี้ยไม่ตกเป็นเมืองขึ้นในเอเชียของเราก็คือประเทศไทยซึ่งไม่ตกเป็นเมืองขึ้นใครเลยแล้วะหน่าจะเจริญที่สุดแต่เสร็จแล้วทํำไมเอทีโอเปีย ก, กับซุดหนักแล้วตายกันมาหลายล้านคนแล้วเพราะความอดอยากคิ้วหอย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 แปลว่ายากขาดแขนลำบากพิกขับระหว่าอาหารการกินภัยยะแปลว่าภัยความหวาดกลัวเกิดขึ้นทุพิภภัยว่าภัยอันตรายอันเกิดขึ้นจากความอดอยากหิวโหยขาดแขนอาหารการกินนะเป็นภาษาบาลีนะทุพิภภัยนะในเมืองเวสต์สีแต่ก่อนเวสาลสัียาบุเรโลกัมนุษย์ทุพิภสัมผูตันตีก็มีวัแล้วแต่ก็พอแก้ไขกันได้ถ้าหากคน มีจิตใจไม่เร็วร้ายจนเกินไปในสมัยพระเวสสันดรเมืองกะลิงเราลาดแห่งแรงได้มาขอช้างปจิยนาให้ไปเหยียบพราเวสสันดนร้สงฟ้าละก็บอภยัยมันมีร่องรอยในอดีตในวรรณกรรมในชาดกในนิทานความแห่งแรงก็มีเนเป็นศัตรูของหมู่สัตว์และมนุษยชาติแต่ในสมัยนี้ความแห่งแรงทางด้านดินฟ้าอากาศเกือบจะหมดความหมายเพราะว่า เราสามารถเรามีเครื่องจกักรกลเรามีเทคโนโลยีสามารถที่จะอย่างในประเทศไทยเนี่ยเดิมานั่งรถเข้าประเทศทางกรุงเทพบ้างทางโคราชบา้างปราจีนบุรีบ้างภาคกลางภาคตะวันออก <c oughs> เวลาเวลาได้ผ่านข้นแก่นเมืองผลบ้านไผ่ไปจนถึงบัวใหญ่แถบนี้แม่น่าแรงแ่าแรงน่าฝนคนอื่นนำนาหมดตรงนี้ก่อนแรงตรงนี้ก่อนแรง S <S <an> เห็นแล้วก็ศสานแต่ชาวบ้านก็ยังอยู่กันนะมันนึกนึกลองนึกแบบหัว่ีคิดเรื่อยดีว่าโอ้เราเคยไปอยู่แอฟริกามาเราไปเคยเคยไปอยู่ทางตะวันออกกลางมาที่โน่นฝนยิ่งไม่ตกที่นี่มันพอตกอยู่ถึงไหมมันไม่ไมากแต่ว่าแถวเมืองผลบ้านไผ่ขอนแก่นอีสานบ้านเฮงเรายัางมีที่ราบเป็นอ่างอ่างถ้าเราจะทําเขื่อนหรือว่าทําอ่างาใหญ่ๆตรงที่มันแห้งแล้ง ขุดดินเป็นคูขึ้นมาใหญ่ๆญ่ๆสามารถชักเอาน้ำโขงส่งมาได้เป็นแอ่งกระทะใหญ่ภาวนาอย่างนี้สามารถทำได้ในประเทศอินเดียก็ทำมาแล้วก็นึกถงว่าไอ้เรื่องความแห้งแล้งทางดานแผ่นดินเราสามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยเทคโนโลยีโดยจัดสภาพเหตุปัจจัยของธรรมชาติทำฝนเทียมก็ได้ฝนเทียมไม่ได้ก็ทาคลองเทียมห้วยเทียมขุดมาจังนู่น แม่น้ำโคงหนุ่นดันมาจากเชียงคานด่านใต้ผ่านชุมแพวมาทะลุกออกคอนแก่นมานี่วอยแม่น้ำโค้งเนี่ยไม่ต้องใส่ปุ๋ยโคตรมาละดีโลดมีแต่พวกปุ๋ยธรรมชาติอยู่ในนั้นไหลมาจากไกลแสนไกลแต่นั่นเราสามารถจะแก้ไขได้แต่ปัญหาใหญ่มันอยู่ที่จิตใจคนยังไม่สามารถที่จะพัฒนาจิตใจการศีลละเท่าที่ควรและความรักบ้านเมืองเท่าที่ควรศัตรูร้ายของประเทศเอธิโอเปียนั่น มันก็เกิดความแห้งแล้งพักนึงแล้วก็มีฝนมืประเทศไทยแล้วก็เคยแห้งแล้งสมัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายแต่เราก็โยูมาเป็นบ้านเป็นเบือ้องอาดมาที่พูดอยู่ตัวนี้สมัยตอนเด็กๆแห้งแล้ง <c oughs> ที่บ้านแพทบรรดาเนี่นอกจากแห้งแล้งแล้วบางครั้งน้ำท่วมน้ำท่วมไม่มีข้าวมีปลากินพ่อแม่เคยไปขอข้าวเคยปลูกยาไปแลกข้าวเคยกินเผือ ก, กินมันสมัยก่อนก็ยังแก้ไขมีชีวิตมาได้จบ ที่นี้เมื่อมันเกิดความแห่งแรงนั้น <c oughs> ท่านพระจพเจ้าแผ่นดินจั ก, กรพรรดิไฮเลเซล์สี่ทรงแก้ไขไม่ทันทั้งทั้งที่สารัฐ ก, ก็ให้เงินช่วยเหลือมาสามสิบล้านดอลลาร์ในปีทั้งสองพันห7รสบสองันหสิเ็ดประชาชนอดอยากขาดแคลนอาหารตายทันทีเลยสองแสนคนทันใดนั้นเองเป็นสาเหตุให้คนภายในประเทศคือพันโรเมนเก็ูไฮเลเมเลียมคนเนี้ย อ้าเป็นสาเหตุบอกว่ารัฐบาล น, นี่ไปเจ้าอยู่โหันี่ไม่เอาใจใส่ต่อความสุขความทุกข์ประชาชนแก้ปัญหาไม่ได้อะไรเลยก็นำกองกําลังเขายึดทาการรัฐประหารในวันที่สิบสองกันยายนสองพันห้าร้อยสิบเจ็รัฐประหารไม่พอนะปกรองพระชนพระเจ้าจั ก, กรพรรดิแล้วก็ปกครองโดยพรรคการเมืองพรรคเดียวของตนเองคือพรรคคนงานหรือว่าพรรคคอมมิวนิสต์นี่เริ่มปัญหาใหญ่มาอยู่ตรงนี้หลังจากนั้นเอง เดิมพฤศจิกายนปีนั่นเองที่ประชุมสภาอาหารโลกในกรุงโรมคื อ, อประเทศอิตาลีพยายามหาทางยุติความเหิ้โห้ยโดยประกาศว่าประสงค์ในช่วงสิบ ป, ปีว่าจะต้องมาให้มีคนได้ท้องกิว่วกดอยากเหิ้โหอ้อยในครอบครัวใดจะต้องไม่มีคนยากจนเราต้องช่วยกันให้ได้แต่ก็เป็นเพียงความฝันฝ่ายอันดีงามมันเป็นไปไม่ได้ ในขณะเดียวกันเราไม่มีเวลาที่จะพูดกันมากนักดอกเมื่อพันโทรเมนกกตู้ให้เลยมาเลียมเนี่ยปฏิวัตแิแต่แกก็สร้างชาติของแกทำไงรู้ไหมป่าไม้ที่มีมากมากแกก็ตัดทรงออกขายหลังจากนั้นแกก็ซืบบ้ออาวุธตั้งใจจะขยายอิทธิพลให้เป็นเป็นพระเอกยิ่งขึ้นในแอฟริกาจะได้เป็นฮีโร่อองแอฟริกาขึ้นมาทันที ขายแล้วก็ซื้อรถทั้งซื้ออาวุธซื้ออะไรต่างๆแล้วก็มีปัญหากับประเทศโซมาเล่บ้าง <c oughs> บ้านไก่เลินเกลียนเพื่อนบ้าน <c oughs> ขออภัยเสียงไม่ไหวทีนี่ในขณะเดียวกันเมื่อทําลายป่าเป็นทรัพยากรเพื่อไปแลกเพราะประเทศอื่นก็อดอยากยิ้วห้อยขาดแขนไม้มีประเทศนี้แกก็ขายให้ประเทศโน้นบ้างประเทศดีบ้างในที่สุดแกก็ได้เงินได้ทอกมา แล้วก็มาพัฒนากองทับแทนที่จะพัฒนาที่ดินพัฒนาแหล่งน้ําอะไรต่างๆยึดทฤษฎีที่ว่าพัฒนากองทับให้แข็งแกร่งขึง้นในที่สุดความอดอยากหิวโหยก็ยิ่งเข้ามาเพิ่มเติมขึ้นความแห้งแล้งผู้เฉียวชาญทางโภชนาการถาแถลงว่าความอดอยากนั้นสามารถพยากรณ์หรือทำนายล่วงหน้าได้เรามีดาวเทียมหลายดวงโคโจรในอวากาศ บอกสภาวะอากาศเรามีเทคโน โ, โลยีสมัยใหม่ที่สามารถจัดการและสามารถแก้ไขได้ดังนั้นผู้ควรที่รับความตําหนิก็คือผู้นำเอธิโอเปียปกปิดไม่เปิดเผยให้โลกรู้ก่อนได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศก่อนที่จะเห็นภาพความอดอยากเขียวหอยแก่ปฏิวัติ ป, ปี2517เมื่อถึงปี2527 27นี่อาตมาก็ยังอยู่ต่างประเทศ25อาดมาอยู่แอฟริกา อยู่ใกล้ๆกับเอธิโอเปียเอธิโอเปียเตรียมงานใหญ่ตั้งแต่ปี2526นี่ไปทำอะไรแนละ้วโคชนาโคเสนอจะฉลองฉลองชัยชนะฉลองการปฏิวัติของตนเองครบ10ปีจะเริ่มฉลองแต่เสร็จแล้วคณะผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีนายคีสกริฟฟินนั ก, นกเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเขาไปสำรวจแล้วก็เขียนหนังสือเตือนพันโทเมงเกตูหเ้เลมมาเลียม วันน่าสภ า, พาพปฏิวัติเอธิโอเปียไว้แล้วว่าจะเกิดความแห้งแล้งเกิดขึ้นแล้วนะจะเกิดความอดอยากหิวโหยที่สุดถ้าท่า น, นมวยไปจัด ก, การกับกองทัพซื้ออาวุธอะไรต่างๆทำลายป่าไม้เอาไปขายแล้วก็มาซื้ออาวุธซื้อพัฒนากองทัพเนี่ยท่านจะแย่นะบ้านเมืองจะแย่เตือนไว้เรียบร้อยแล้วเสร็จท่านโคจเนในเรื่องการพัฒนาชนบทอย่างหนะักเหมือนประเทศไทยเรากําลังเน้นพัฒนาอีสานเชียวเนี่ย แต่พันโทเมงเกตูุไม่ฟังคำแนะนำเพราะเห็นว่าความอยู่รอดของตนเองความเป็นใจของตนเองจะยิ่งใจกว่าเป็นพระเอกในขณะที่สมัยของตนเองได้เป็นใจนั้ให้ชื่อของเอทีโอเปียมันดังกึกกล้องปากทองของประชาชนไม่ได้สนใจเลยลรัฐบาลได้ทุ่มเทเงิงนร้อยละสี่สิบของผลผลิตรวมของชาติไปใช้ในทางการทหารด้วยการซื้ออาวุธยุโทโธปกรณ์อย่างน้อยสองพันห้าร้อยล้านดอลลาร์ไม่ใช่ห้า้ยล้านบาทนะห้า้อยล้านดอลลาร์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 ความยิ่งใหญ่ในเชชนะในการปฏิวัติครบสิบปีปีนั้นอารมาก็อยู่ที่แอฟริกาตะลึงเรือพอเริ่มเข้าปีสองพันห้ารอยยิบเจ็ดแกก็ฉลองกันใหญ่เลยทวงเงินไปเป็ น, ห ม, นหมื่นล้านในการฉลองในงานนี้สั่งซื้อเหล้าวิสกี้หนึ่งแสนขวดจากประเทศอังกฤษลองทิดดกหนึ่งแสนขวดแล้วก็เอาเครื่องบินเอาเรือบรรทุกมาหลังจากนั้นก็สั่งซื้อเบียร์อีก เป็นเส้นแสนขวดหมดเงินเป็ น, มนหมื่นล้านมาโหล้านยิ่งใหญ่สะทานทุ่งหลังจากนั้นจึงอนุญาตให้ผู้สื่อข่าวต่างประเทศไปดูบริเวณที่ประสบทุกพิกัยหลังจากนั้นก็ได้พบแต่วความอดอยากคิวโหยเราได้เห็นภาพออกมาจากทางโทรทัศน์น่าสงสารที่สุดเลยความหิวโซนถึงขนาดนี้ยังมีอยู่อีกหรือในโลกตะกอนเราไม่เคยพบ <c oughs> นอกจากนั้น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 ให้เลยมาเลียมนี้เองเป็นผู้ขาดคุณธรรมที่สุดมักใหญ่ไฟสูงอยากใหญ่อยากดังอยู่อย่างนั้นถึงกำนาว่าล้างผลาญทรัพยากรของชาติเพื่อพัฒนากองทัพจนป่าไม้หมดไปความอดอยากหิวโห้อยแห้งแรงอูดแพะแกะลาได้ตายกันเป็นฟุงฟ้งๆทีนี้โอ้ยช่วยกันไม่ว่าประเทศใดทั้งฝ่ายโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งก็ฝ่ายเสรี นิยมชาะชาธิปไตยของเราเนี่ยได้ส่งเงนินส่งทองส่งข้าวส่งของขไปช่วยเหลือมากม า, กายกายกองเลือจากขนานาแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังมีอาการตายทุกตายอยากตายอดตายอยากายยากันเยอะอันนั้นเป็นภาพในหน้าจอทีวีในข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ที่เราได้พบความอดอยากหิวโหยในเอธิโอเปียแต่ภาพของความจริงอันนี้ที่เราไม่ต้องไปดูที่หน้าจอโทรทัศน์ไม่ต้องไปดูที่หน้าหนังสือพิมพ์ ้าลองนั่งรถยนต์รถไฟจากอีสานบ้านเฮาสกลนครอุดรธานีนี่ลองไปไปลงที่ตลาดหมอชิตท่านจะเห็นคนนอน <c oughs> เกิือนกาดอยู่ตามสารฟุตบาทแน่นไปหมดเลยน่าร้อนหน้าฝนแป้มไปหมดนอนให้ยุงกินนั่นใครภาพใครถ้าไปดูหัวลำโพงก็เต็มไปหมดลูกเด็กเล็กแดกองกระจอเงงเง่คนนอนกันอยู่ตรงนั้น เอาชานจะลาเอาฟุตบาทเน่ยเต็มไปหมดเลยให้ยุงกินคนเดินข้ามมัวข่ามม้าไปเขาไม่ได้สนใจใครนั้นถ้าหากเราพูดอย่างไม่อายก็คือภาพของบุคคลผู้อบพยกลี้ภัยแห่งความอดอยากหิวโหยจากอีสานเข้าไปสู่กรุงเทพไปแสวงหาแหล่งทำงานบางก็ได้งานทำยังทุกทุกบางก็ทุกใช้แรงงานอย่างหนักหน่วงแล้วก็ถูกโกง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 แต่คนผู้ดาเนินการพัฒนาอาตมาเคยได้รับนิมนต์ไปป า, กาทกถาธรรมอีสานเขียวอบรมชาวบ้านเจ้าหน้าที่ร่วมมือกันเยอะไม่ว่าจะเป็นหน่วยสันตินิมิตตํารวจชายแดนไม่ว่าจะเป็นกรปไม่ว่าจะเป็นภาคลัดเอกชนแม้หลายคนห่มเฮียงป่องหลายผ้าคือสีแลนด์ตกสีพายพรผอมเพื่อหน่อยสีเหลืองดีคนโบราณว่าจะได้ มัวเมาหล่นคนเดียวบ่มีคูไป่อเสื้อโคงหายสิลงห่องเสดเดิดตายนึกดีใจว่าพร้อมเทียงกันดีเหลือเกินยามทุกอย่างยากแต่ที่ไหนได้พอเอาเข้าจริงๆนึกสงสารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ดีในหลวงของเราท่านลังเน้อพระไทยมาส่หมวลอนณาประชาราชทุกยากเหมือนกับลูกของพระองมไม่แต่เส็จแล้วเราทาไง <c oughs> พัฒนากันคารับกันจริงแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ย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 เขาแห้งแรงกว่าเราเป็นพันพันเท่าเจาะน้ำบาดาลลงไปเป็นร้อยร้อยสอง้อยสมรอยเมตรไปดูประเทศซาอุดิอาระเบียตั้งแต่เมืองบูเลดากาซิมขึ้นไปจนถึงนูน่นนะเมืองไฮ แ, แถบนี้อากามรอ้อนอบอ้าฝนฟ้าไม่ตกแต่ว่าชาวบ้านเขาทำนากันเดี๋ยวนี้เครื่องจกักรกลใพวกเครื่อง h a r v e s t e เครื่องเกี่ยวข้าวรถไถ อ, อะไรบินลง่งไหลไปจากโลกตะวันตกไปขาย นั่งรถผ่านแถวนี้เป็นร้อยร้อยสองสามกิโลดูนาในเขียวทำการทะเลตายพั่งไม่มีสายฝนเขียวเย็นตาเย็นใจจริงจริงเขาเขียวได้ยังไงเขาดูดน้ำมาจากใต้ดินดุ้นใช้เทคโนโลยีสูงมากในการพัฒนาและเขาเอามาทำนาพวกเราไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกถ้าจะสูบน้ำใต้ดินมาทำนาเนี่ยมันก็ยังทำได้ จอดลงไปไม่มากนะั่ก็ไปเจอแล้วก็โดดขึ้นมาใช้ได้แต่เราใช้เงินกันไม่ใช่ว่าขาดแค้นจนเกินไปซื้อเลขง้วนแล้วเป็นผันก็อย่างซื้อเข้าไปทําอย่างอื่นเล่นให้โลไปซื้อควายมาฆ่ากินในบุญกรถิ่นบุญพระเวสิบตัวยี่สิบตัวในหมู่บ้านหนึ่งนึงอย่างเนี้ยจะว่ายังไงถ้าจะให้ดีเนี่ยลองสิจะแลงสักแค่ไหนเรามีแหล่งน้ํา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 อยู่ใกล้เราก็รวมกันตั้งหม้อไฟฟ้าอย่างเงี้ยถ้ามันแรงเราก็ดูดไม่ใช่เอามาดำนาได้ถ้ามันไม่แรงเราก็ไม่ต้องใช้หน้าแรงจริงๆฝนไม่ตกเราก็ยังกู้พืชอืนอ่นๆได้นี่พัฒนาแหล่งน้าใตดินก็ยังได้เอยพัฒนาแหล่งน้ำบนดินอะไรต่างๆมันสาคัญอยู่ที่จิตใจของชาวอีสานจะต้องพัฒนาจิตใจรักถิ่นฐานบ้านช่อง แต่นี้เรายังไม่มีความภาคภูมิใจคนอีสานต้องด้านด้นหนีห่างไกลเป็นแต่พันเก้าพันไม่ไปทำงานทางตะวันออกกลางทางอัฟริกาซาอดุดีอาราเบียริเบียหูเขาจะจ้างไปอะไรไปทั้งนั้นเขาจ้างไปค่าคนที่ไหนก็จะไปเขาจ้างไปรบที่ไหนก็จะไปขอให้มีเงนินทำไมเราไม่คิดว่าบ้านเราเมืองเรานี่สามารถที่จะทามาหากินได้ถ้าเรารักถิ่นฐานรักบ้านรักช่อง พลิกพื้นแผ่นดินนี้ช่วยกันร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนากันจริงๆเด น, นี้เราอย่างไม่มีคนที่จะรักถิ่นฐานบ้านช่องเท่าที่ควรจิตใจเราฝันไฝ่ทะเยอะทะยานมากไปด้ยวยความโลภความอยากได้วัดถุนิยมเข้ามาครอบงำวัฒนธรรมแห่งการบริโภค ข, ของตะวันตกหลั่งไหลมาเงินทองไม่มีอยากมีไม่มีก็เลยเป็นหนี้เป็นสินเอาไรเอานาไปจำงจำงความจริงทำนาปีเดียว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 สิ่งมอมเมามช่วยจอมจิตใจตนเองให้เสื่อมเสียจิตใจที่ชอบสนุกสนานกินเหล้าสามวันสามคืนเอาบุญพระเวทแห่บุญแห่กระหล่อนอะไรต่างๆไปเย็นพฤติกรรมใหม่ไปเย็นใหม่เสียเรียกว่าปฏิวัติทางวัฒนธรรมก็ได้เราไม่ใช่คาว่าปฏิวัติเราใช้คำว่าปฏิลูปังคือพระพุทธเจ้าบอกทําให้มันเหมาะสมในยุคนี้เราก็จะได้ช่วยให้บ้านเราเมืองเราเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขขึ้นมา หลังจากนั้นการพัฒนาสภาพแวดล้ลอมสภาพเป็นอยู่สภาพชุมชนโดยอาศัยหลักธรรมที่ว่าระบบแห่งชีวิตและรับเบียบของสังคมเดี๋ยวนี้สภาพแวดล้ลอมเป็นพิษเป็นพิษแก่จิตแก่ใจเป็นพิษแก่ทางร่างกายน้ำเป็นพิษดินเป็นพิษลมเป็นพิษ ฝนตกหน่อยลมพัดมาบ้านพังชิบหายลายวอนหมดเพราะว่ามันไม่มีสิ่งใดที่จะมาปะทะมาต้านทานกับแรงลมต้นไม้ต้นลายถูกคนถูกทำลายหมดเกี้ยงแล้วลมมันเป็นพิษน้ำเป็นพิษอยู่ในน้ำปูปลาเป็นแพลเวอะแวกไปหมดที่มันเป็นพิษเพราะว่าดินเป็นพิษทำไมดินเป็นพิษมนุษย์ถางมนุษย์ปลูก้นดินปนหญ้าไม่มีที่กินอ้าวพอแมลงมันเกิดมามันไม่มีอะไรจะกินต้นไม้ถูกทำลายมันกินสิ่งที่คนปลูก คนก็เอาอยาไปคุกผอกสารเคมีอะไรต่างๆใส่เข้าไปในเม็ดข้าวเม็ดพืชก่อนจะปลูกปลูกลงดินแล้วใส่ลงไปในดินอย่างยากันปวกกันมดอะไรต่างๆใส่ไวในดินมซึมลงไปในดินในน้ําน้ําก็เป็นพิษดินก็เป็นพิษออกมาก็ชี้ยาไปเอาไปเอามาเนี่ยเป็นพิษกันไปหมดเลยเป็นพิษกันไปหมดสภาพแวดล้อมกินเข้าไปไม่แน่สิ่งที่เอามาแบกขายอยู่ในตลาดนั้นมันได้สะสมสารพิษไว้มากกว่ามาก คนขายไม่คํานึงว่าคนกินจะเป็นยังไงขอฉีดยาเข้าไหมมันอยู่ได้เนี่ยมันตายได้ไง่ายๆนะเรียกว่ามันเป็นพิษกันไปหมดเลยเมื่อสิ่งแวดล้อมภายนอกเป็นพิษสิ่งแวดล้อมภายในคือด้านจิตใจก็เป็นพิษเพียงแต่เปิดวิทยุมารายการที่ยั่วย้อมมัเมาจิตใจให้เด็กใจแตกใจเพะมีเปนพิษหนังเป็นพิษเอามาฉายอยู่ในวัดนในวาก่อจูบลูกคาฟ้ากิ่งดิงดองนั้นเข้าไป พาเห็นก็อยากศึกเนรเห็นก็ไม่ยาง อ, อยู่แถวบ้านเห็นก็อยากจะเป็นพระเอกนอกจอเห็นข่ากันล้างโคกันตัวอย่างจากหนังจากละครในนี้มีการข้าล้างโคดเสียใหญ่ๆอย่างกรณีเสียห่วดเสียไรที่เมืองชนเสกกันไปเป็นแถวข่ากันล้างโคดจองล้างจองผ่านมาจากหนังสอนฟังซ้อมให้จิตใจคนเที่ยงโหดไอ้ชาติโหดดูสิหนังะเมีย ตามล่าสามหมื่นไม่อย่ามาว่าเลยแค่เมืองชนแค่กรุงเทพแค่ประเทศไทยแยะเดียวหนึ่งหนังมันสอนแล้วตามล่าสามหมื่นไม่แขมนี่ต้องาอชาละไอชาติโทษว่าแล้วไปนั่นเองฮู้มันเป็นสภาพแวดล้อมภายนอกที่ทําลายด้านจิตใจเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีกบบวอรประจำท้องถิ่นควรจะมีกบบวอรประจำท้องถิ่นเรียกว่าอืกรรมการตรวจวิทยุสื่อสาร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 สร้างขึ้นมาสี่เรื่องราวเอาโลเคชั่นความแห้งแร ง, งของกุลาล้องให้ผ่าอีสานหรือตรงไหนก็ได้แล้วเริ่มพัฒนาแผ่น ด, ดินให้มันเด่มันงามอดทนกัดฟันนกหนูปูปีกมันมีปีกมันยังไม่บินหนีเลยมันยังอยู่กับถินกับฐานมันแห้งแรงแค่ไหนมันยังอยู่แต่มนุษย์นี้กระเสือกระส้นดิน้นรนไปไกลแต่ความจริงเราสามารถที่จะพัฒนาท้องถิ่นของเราได้แต่นี้เราไม่รักเข้าที่ควรเรายังไม่รักเท่าที่ควรแม้จะเป็นพระสงฆ์องค์เจ้า ในชาวภ า, าอีสานรป ร, รียนในกรุงเทพในเมืองยยใหญ่ใหญ่ได้จบเป็นมหาเป็นด็อกเตอร์เป็นพระครูเป็นเจ้าคุณมามีใครสักกี่องค์อยากจะกลับบ้านมาพัฒนาจิตใจพี่น้องชาวอีสานเดี๋ยวกรุงเทพยอยู่ภาคกลางอยู่ภาคอื่นดีกว่าและจะได้กินดีอยู่ดีติ ด, ด, ดรูปรสกลิ่นเสียงแสงสีเสีย ง, ง, เ, ยงเครื่องยัวย่วย้อมอมอมเมาจิตใจตนเองกลับมาบ้านโอ้อยู่บ่ใดพ่อสามเมื่อยานไปโล่ขาดอาหารตายฝ่าไปกรุงเทพแล้วกันเนี่ย ลักษณะเช่นนี้เราแห้งแล้งไปหมดเลยไม่ว่าจิตใจพระจิตใจยมมีน้าซ้าบางองค์ดิน้นรนจะทําพาสปอร์ตไปอยู่เมืองนอกไปอเมริกาไปหากินกับโรบินฮูดกับพวกลาวพัดทินคาเมนพัดทินพวกลาวอภิชกตัวภาษาอังกฤษตัวเอฮาว์คำปั่นนี่ยคือยังอา่านบ่ออกอยากไปเมืองนอกไปทําไมหลวงพ่อเคยมีมาติดต่อมาสอบถามรายละเอียดกับอามาว่าท่านอาจารย์ผมอยากจะไปเมืองนอกทําพาสปอร์ตทำยังไง ไปทําที่ไหนเขามีคนเชิญเขามีคนนิมนต์ไปรับรองค่ะกองบินผมเชื่อไปทําพัสดุ์มันก็ต้องไปที่นู่นกรตพอกองตรวจพิสูจน์ออกต่างประเทศเฮ้ยถามไปอาตมาก็ถามือว่าท่านจะไปทําไมแหละครับอยู่เมืองไทยเราก็พออยู่นี่นะมาช่วยกันอยู่บ้านเราเมืองเราทูกหยากให้กให้มันเพี้ยนอดพยายามยาไลา่ลดทำเทีเ้ยนยาลาย่าเว้นบ้านเฮาเมืองเฮาเจ้าชิยุดอยู่อย่างบ้านเพลินกินยังทางอีสานไทยเฮาแกวกินกันอย่า ง, ก, างาก่วงภาคันยุทธ์เสือฝัง พอทาวินัยเนี้ยให้มันจเจริญรุ่เรงเรืองาศาสนาให้มันเคทิงหงษให้มันฟุ้งพลิ้นหนองสบายบ้างตูข้นเป็นอย่างซอยกันเป็นอย่างสิ่ไปเห็นอะไรเวริกาดไปวุ้ยป่าวหดนําม้อนขันหนึ่งได้หาลอยดอนผู้ใดป่าวแน่ไม่ได้ไปเพื่อประสาทกนะไม่ได้ไปเพื่อพัฒนาคนไม่ได้ไปเพื่อจะช่วยเหลือเจอจุนอะไรไปเพื่อหาเงินมาเป็นมูดนิธิบํารุงกับเพาะรวยมาก็จะไดชศึกมาสร้างบ้านนั้นอย่างนี้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 พระสงฆ์องค์เจ้าเป็นตัวอย่างอยู่อย่างเรียบง่ายสอดคล้องกลมกลืนกับธรรมชาติวัดจะต้องเป็นตัวอย่างที่รีว่าสร้างวัดเป็นอารามที่ร่มรื่นอารามแปลว่าซ้อนไมใ้ให้มันเป็นป่ารักน้ําอารามรักนกพุทธสาวกรักธทำน้าอีสานให้เขียวขจีพูดแล้วไม่ไม่ใช่คุยนะขออภัยปองอบัตรตรงนี้ที่วัดของอาดมาเนี่ยนั่นโยมดูนั่นต้นไม้ใหญ่ๆต้นไทใบงามๆเอามาจากไหนมันไม่ได้เกิดอยู่ตรงนี้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 เขียวหมดแล้วเนี่เห็นไหมเขียวหมดแล้วดังแกว่าห้าปีอย่าให้มันเขียวที่สุดจะสร้างโคกให้มันเป็นดงให้ทามันเป็นป่ารักน้ําอารามรักนกพุทธสาวกรักทําอีสานให้เหียวกระจีเราจะต้องพยายจะต้องเอาวัดนี้เป็นตัวอย่างในการพัฒนาให้ได้แต่ก่อนนต้องวัดเป็นตัวอย่างแห่งการทําลายแป่นเออเติร์ปานเดินวัดวันเดนี่นจะต้องว่าโอ้ยเดีย๋ยวนี้ป่าให้มันมีเหลืออยู่ในวัดอย่างเนี้ยนกหนูปูเปกมันก็จะได้อยู่ได้ป่ารักน้ํา ที่วัดต้องมีป่าร่มรื่นคนมาแล้วเย็นทั้งกายเย็นทั้งจิตแต่ยินเสียงนกเสียงกาทำไม่เกิดการเพลิดเพลินอีกแบบหนึ่งธรรมชาติว่าโอ้แม้แต่นกกาก็ยังมาอยู่อาศัยเพราะว่าที่นี่มีแต่ความปลอดภัยทั้งทางกายและทางจิตไม่มีพิษมีภัยอากาศใหม่เป็นพิษคนใหม่เป็นพิษใหม่มีใครเค้นใครฆ่ามันแม้เราเองก็เกิดความมีตาบตานีขึ้นมาโดยอัตโนมัติน่ารักจริงๆเดี๋ยวนี้ไม่มีสัตว์ชนิดใดที่ยังไม่ถูกตามล่าในภาคอีสานตั้งแต่แมงวัน แมงกระสาก็ยังกินกันหมดแล้วเดี๋ยวนี้จะทำยังไงเพราะฉะนั้นป่ารักน้ําจะต้องเกิดมีในวัดอารามรักนกปกตนูต้นไทรต้นไม้ที่มันเป็นหมากเป็นผลบางคนบอกอาตมาเว้ยจะเป็นบ้าแนวกินไปเล้เอามาปลูกนันบ้าก็บ้ายอมให้เขาว่าอีกหน่อยนกงมันมจะได้มากินแล้วก็พุทธสาบกรักธรรมไปเวลาใดเห็นพระสงฆ์องค์จากศึกษาเราเรียนนั่งสมาธิอยู่ใต้โคนต้นไม้ศึกษาธรรม เออสนทนาทํามกันหนังสมาธิสวดมนุษย์บ้าพัฒนาต้นไม้ความสงบนี่เลยว่าพุทธสาวกรักธรรมไม่ใช่ไปตรงไหนก็เห็นแต่ตู้บริจาคไปตรงไหนก็มีแต่เผย์แผ่เรีย่ยร้ายไปตรงไหนเห็นแต่พระบอกเลขบอกหวยต่างชางในไสยศาสตร์กตะกมอมเซกบ้านอย่างนี้ไม่เรียกว่าพุทธสาวกรักธรรมหลังจากนั้นนําอิสานให้เขียวขจีเพราะวันนี้ก็เห็นทีจะต้องยุดติด้วยการเวลาที่มันมีเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดี จึงบางเกินมีแก่ญาติยอมพุทธบริษัททั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเถอ